ทีนี้ต่อไปในหน้าสองที่บอกว่าขอขอภัยนะย้อนอธิบายหน้าสิบเอีกนิดหนึ่งบอกว่าเมื่อบุคคลผู้ได้เนคขมมะเป็นอันละและสละกามได้ได้แล้วด้วยวิขมพนาปะหานะในเพราะอุบายสลัดออกแห่งอสุพะฌานเพราะฉะนั้นออกจากกามด้วยอสุพะฌานนี่เป็นวิขมพนาปะหานแต่ออกจากกามด้วยสมุทเฉทปะหาน เพราะเป็นอุบายสลัดออกแห่งอนาคาเมมัคนะ น, นีสลัดออกจากอนาคาเมมัคสลัดออกได้เด็ดขาดจริงๆก็ต้องออกด้วยอนาคาเมมัคอารูปประชามิสลัดออกจากรูปด้วยวิขมพนะปะหารอารหัตมักออกสลัดออกจากรูปด้วยสมุดเชทะปะหารการตัดขาดรูปย่อมมีด้วยด้วยการละฉันทราคะในรูปทั้งหลายเนี่ยนะอารูปประชามีนะไม่ได้สลัด ตัดชันนราคาอย่างเด็ดขาดจากรูปอะไรเมื่อบุคคลผู้ได้นิโรธเป็นอันละและสละสังขารได้แล้วด้วยนิสรณนาปหารในเพราะพระนิพพานเป็นเครื่องสลัดออกด้วยปฏิปัสสธิปหานะในเพราะอารหัตผลเป็นเครื่องสลัดออกพงทราบว่าการได้เฉพาะด้วยสามารถทําให้เป็นอารมณ์ในเพราะความที่พระนิพพานเป็นเครื่องสลัดออกเพราะอารหัตผลนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์จึงสลัดออกจากวัตตะได้ นี่มาดูการตรัสรู้อริยสัจนะตรัสรู้อริยสัจปหาณสี่ในหน้าสองที่บอกว่าบุคคลผู้แทงตลอดทุกขสัจจะเป็นอันแทงตลอดด้วยปริญญาปริญญาคืออะไรคือการกําหนดรอบรู้ย่อมละกิเลส ท, ที่ควรละได้บุคคลผู้แทงตลอดสมุทัยสัจจะอันเป็นการแทงตลอดด้วยปหานะการละเนี่ยนะย่อมละกิเลส ท, ที่ควรละได้บุคคลผู้แทงตลอดนิโรสัจจะเป็นอนัน อันเป็นการแทงตลอดด้วยสัจฉิกิริยาการทําให้แจ้งย่อมละกิเลสที่ควรละได้บุคคลผู้แทงตลอดมัคคสัจจะด้วยการแทงตลอดด้วยภาวนาภาวนาแปลว่าการเจริญเนี่ยนะย่อมละกิเลสที่ควรละได้ทุกสัจบรรลุด้วยปริญญาสมุทัยสัจบรรลุด้วยปะหานะนิโรสัจจะบรรลุด้วยสัจฉิกิริยามัคคสัจบรนลุด้วยภาวนา นะนี่คือการแทงตลอดอริยสัจนะนะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยเขาเรียกว่าบรรลุบรรลุเข้าบรรลุอย่างเงี้ยปฏิเวททั่วๆไปเขาเ ข, าเขานิยมแปลว่าบรรลุใช่ไหมทำมาพิสมัยก็คือการตรัสรู้เป็นต้นเนี่ยนะก็คือสิ่งเดียวกันอธิบายในอัตถกาธาน้า11บอกว่าการแทงตลอดด้วยการกําหนดรู้ชื่อว่าปริญญาปฏิเวทะ ป, ปริญญาปฏิเวทะเนี่ยนะก็คือการปฏิเวทตัวนี้ก็คือการตรัสรู้นะ ที่เคยได้ยินสามคำให้ปริยัตปฏิบัติปฏิเวทอ่ะนะนั่นแหละอันนี้หมายถึงปฏิเวทระดับสูงเลยทุกขศาสตร์นั้นเป็นการแทงตลอดด้วยการกําหนดรู้หรือปริญญานี่แหละผู้ที่แทงตลอดทุกขศาสตร์ด้วยการกําหนดรู้เนี่ยนะก็ย่อมละประชาหาติเนี่ยตัวนั้นประชาหาติก็คือการละสิ่งที่ควรละได้ย่อมละพึงถือเอาความว่าบุคคลผู้แทงตลอดได้อย่างนั้นอย่างนั้นย่อมละกิเลส ท, ที่ควรละได้อธิบายว่า ย่อมละกิเลสเหล่านั้นด้วยละฉันทราคะแม้ในโลกิยะและโลกุตระมัคคยานย่อมตรัสรู้อริยศาสีในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังนะอริยศาสินตรัสรู้พร้อมกันเลยนะเพราะว่าผู้ใดรู้ทุกผู้นั้นชื่อว่ารู้ทุกขสมุทยัยรู้ทุกขานิโรรู้ทุกขามิโรทคามินีปฏิปทาผู้ใดตรัสรู้ทุกขสมุทัยก็ชื่อว่าตรัสรู้สัจจะสามที่เหลือเพราะว่าตรัสรู้พร้อมกัน แต่บางอย่างโดยกิจกับบางอย่างโดยอารมณ์ตรัสรู้ทุกสมุทัยโดยกิจตรัสรู้นิโรธโดยอารมณ์ตรัสรู้มรรคโดยภาวนานัก็โดยกิจอีกนั่นแหละย่อมตรัสรู้ทุกข์ด้วยปริญญาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยการกำหนดรู้เนี่ยนะตรัสรู้สมุทัยด้วยอาหานาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยการละตรัสรู้มรรคด้วยภาวนาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยการทาให้ให้เกิดขึ้นนะ ย่อมตรัสรู้นิโรธด้วยสัจิกิริยาพิสมัยการตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งเหมือนอะไรเหมือนเรือย่อมทํากิจสี่อย่างในขณะเดียวกันกิจอันแรกคือละฝั่งนี้ใช่ไหมสองตัดกระแสะคลื่นออกไปสามขนสินค้าไปด้วยสี่ไปถึงฝั่งโน้นฝั่งในนี่เหมือนอะไรฝั่งในฝั่งในเป็นชื่อของทุกขสัจจะตัดกระแสะคือ กิเลสนำสินค้าคือนำกุศลนะฝั่งโน้นคือพระนิพพานเนี่ยนะอธิบายไว้อย่างไรเพิ่งทราบว่าท่านกล่าวถึงประหารนะในขณะเดียวกันก็ดุดแยกกันเพราะท่านกล่าวว่าพระโยคาวจรทำนิโรธให้เป็นอารมณ์ไม่ใช่ท่านะทำนิโรธให้เป็นอารมณ์ย่อมบรรลุย่อมเห็นย่อมแทงตลอดสัจจะสี่คือขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะขณะนั้นแหละ ชื่อว่าบรรลุแล้วชื่อว่าเห็นชื่อว่าแทงตลอดอริยสัจสี่อริยสัจสี่นั้นเป็นการแทงตลอดจริงแท h, บ้บรรลุอย่างแท้จริงต่อเมื่อเห็นพระนิพพานเนี่ยนะเมื่อเห็นพระนิพพานนั่นแหละจึงชื่อว่าตรัสรู้อริยสัจถ้ายังไม่เห็นนิพพานก็ยังไม่ชื่อว่า ก, ก็ยังไม่ชื่อว่ารู้อริยสัจยังไม่ชื่อว่าบรรลุอริยสัจต่อเมื่อเห็นพระนิพพานนั้นนั่นแหละกบทวนอีกครั้งหนึ่งวนะ่าพระนิพพานคืออะไร คือธรรมที่สงบระงับดับสังขารธรรมธรรมะที่สงบระงับดับชราและมรณะธรรมะที่สงบระงับดับชาติธรรมะที่สงบระงับดับภพธรรมะที่สงบระงับดับอุปาทานธรรมะที่สงบระงับดับตัณหาธรรมะที่สงบระงับดับเวทนาดับทัะดับนามรูปดับวิญญาณเนี่ยนะดับสังขารดับอวิชชาทั้งหมดนั่นแหละ กนะ็ชารามระชรามระสมุทัยชารามระนิโรธชารามระนิโรธทักมิหนีปฏิปทาถ้าอย่างในที่บอกว่าทุกขสัจจะเนี่ยนะทุกขสัจจะเนี่ยปริยายที่ขยายทุกขสัจจะเป็นอะไรบ้างเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์ทั้งหลายถ้าเป็นขันก็ขันก็รูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาเพราะฉะนั้นแทงตลอดทุกขสัจจะคือรูปด้วยการแทงตลอดด้วยปริญญาใช่ไหม แทงตลอดรูปสมูทายด้วยปะหานะแทงตลอดรูปนิโรดด้วยสัจจิคิริยาแทงตลอดรูปนิโรทคามินีปฏิปท า, ด, า, านะด้วยภาวนาเนี่ยนะด้วยภาวนาเัราทุกๆุกบทก็ประชุมลงอริยสัจได้หมดเลยนี่มาดูปะหานะห้าต่อไปดีกว่าปะหานะห้าคือหนึ่งวิคัมพนะปะหานวิคัมพนะปะหา น, นี่เป็นชื่อของการละโดยการข่มนะวิคัมพนะตัวนั้นเหมือนการขม่มเช่นการละนิวรด้วยการข่มไว้ ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญปฐมฌานตะทางฆาปะหารคือการละด้วยองค์นั้นๆใช้คำว่าทิฏฐิก็ไม่พอต้องละด้วยองค์นั้นนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญสมาธิอันเป็นไปในส่วนแห่งการชําแรกกิเลสคือตะทางฆาปะหารเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อะไรนะทิฏฐิ i, วิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามข า, ม า, ขายานัศนวิสุทธิหรือวิปัสนาญาณทั้งหลายเนี่ยเป็นตทางฆาปะหาร ันผู้ที่จเจริญวิปัสสนานั่นแหละเป็นการละโดยตะทางท่าประหารสมุทเฉทประหารนี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นโลกุตระมักปฏิปัสสติประหารนะเป็นโลกุตระผลในขณะแห่งผลย่อมมีแก่บุคคลผู้จเจริญมักเครื่องให้ถึงความสิ้นไปนิสระาปรหาระเป็นนิโรธคือพระนิพพานคำอธิบายในหน้าสิบเอ็ดย่อหน้ า, าล่างๆบอกว่า การขม่มการทําให้ไกลซึ่งปัจจนิกธรรมมีนิวรณ์เป็นต้นด้วยโลกิยะสมาธินั้ น, น, นดุดเอาหม้อเหวี่ยงลงไปในน้ําที่มีแหนทําให้แหนกระจายไปไกลฉะนั้นจึงชื่อว่าวิขำพระหนาประหารสมัยใหม่เขานิยมอุปมาว่าวิขำพระนประหารคือหินทับทับอะไรหินทับหญ้าถือว่าเป็นอ่าเป็นข้ออุปมาที่ใช้ไม่ได้อ่าอุปมาที่ถูกต้องเนี่ยนะว่า วิค้ำพนะประหารเนี่ยนะการข่มอะไรที่นี้แปลว่าเหมือนกับเราไปจะไปตักน้ําเนี่ยนะจะไปตักน้ําที่น้ําเนี่ยเต็มไปด้วยจอกแหนทําไงก็เอาหม้อนี้ทุ่มลงไปแล้วก็ปัดพวกแหนพวกจอกพวกแหนมันก็จะแหวกออกไปไกลๆจึงสามารถตักเอาน้ําไปดื่มได้ไม่ใช่เอาไปข่มแหนทับแหนอะไรไม่ใช่แต่เป็นการแหวกแหน่แหวกอแหวกจอกแหวกแหน่ออกไปเนี่ยนะชั้นใดก็ดีปฐมวิชาเนี่ยแหว ק, อก อ, อกุศนออก คือปัดอักุศลเช่นปัดนิวรให้ไปไกลเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเนี่ยการละนิวรด้วยการข่มไว้ย่อมมีแก่ผู้เจริญปฐมฌานเพื่ทราบว่าท่านกล่าวถึงการละนิวรเพราะนิวรปรากฏอันที่จริงนิวรเนี่ยยังไม่ครอบงําจิตเร็วนักทั้งในส่วนเบื้องต้นทั้งในส่วนเบื้องหลังแห่งฌานเมื่อจิตถูกนิวรครอบงําฌานย่อมเสื่อม เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาจะเข้าฌานเนี่ยนะก่อนจะเข้าฌานต้องข่มนิวรณ์ก่อนต้องปัดนิวรณ์ออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แล้วจึงเข้าฌานได้พอออกมาจากฌานนิวรณ์ก็ยังอยู่ไกลอีกแต่ถ้าไม่หันไปเข้าฌานอีกเดี๋ยวก็รวมตัวกันอีกเดี๋ยวนิวรณ์ก็รวมตัวกันอีกนะเพราะฉะนั้นก่อนจ ะ, ะก่อนจะเข้าฌานนี่จึงเป็นการแหวกนิวรณ์ออกไปนะเหมือนแหวกใช่ไหมถ้ายังเจริญฌานอยู่ก็ยังแหวกออกไปได้เท่านั้นแต่ถ้าเลิกเจริญฌานเมื่อไหร่นิวรณ์ก็เข้าสู่ ภาวะปกติเนี่ยนะท่านเนคขมมะเนี่ยเป็นการแหวกแหวกนิวร์อ่าเข้าไปนะอะไรนะวิถัมพนะคือการแหวกนิวร์ออกไปถ้าปฐมชาญแหวกนิวรนทุติยชาญแหวกอะไรออกไปแหวกวิตกวิจารออกไปตติยชาญแหวกอะไรออกแหวกตีติจตุทชาญแหวกสุขแหวกทุกโสมนัตโทมนัตก่อนๆอรูปชาญแหวกแหวกรูปชาญทั้งหมดนี่ออกไป อากาสารนันจาเยตนาแหวกอะไรออกไปอวิญญาณนันจาเยตนาแหวกอาการสารนันจาเยตนะออกไปก็เป็นการแหวกแหวกแหวกออกไปนั่นเองจึงเรียกว่าวิกขำพนะประหารแต่ถ้าเลิกเจริญคุณธรรมเหล่านี้เมื่อไหร่เลิกถ้าเลิกนะอันนัน้พวกล่างๆก็จะลงมาอีกเดี๋ยวเรียนภาคยะ่สี่นี่จะเข้าใจชัดขึ้นเนี่ยนะว่ า, าการเจริญปฐมฌานในส่วนแห่งความเสื่อมในส่วนแห่งความ ดำรงอยู่ในส่วนแห่งความวิเศษพิเศษยิ่งขึ้นไปและในส่วนแห่งการชำแรล ก, กิเลสเนี่ยนะเาแบ่งออกเป็นสี่ระดับด้วยกันในขณะที่เจริญปฐมฌานหรือเจริญสมถะทั้งหลายเนี่ยเป็นการแหวกนิวรณ์ะนะแหวกคือการข่มนิวร์ออกไปส่วนตะทางคาปฐานะเนี่ยนะตทางฆาปหานะการละด้วยองค์นั้นนเนี่ยนะ การละธรรมนั้นๆอที่เป็นปฏิปัติของวิปัสสนานั้นๆเหมือนกับการจุดประทีปในตอนกลางคืนถ้าตอนที่ถ้าถ้าอยู่ในที่มืดๆนะเราจุดเทียนขึ้นมาเ น, เนี่ยเวลาที่จุดเทียนสว่างขึ้นมาเนี่ยขณะนั้นความมืดก็ก็าหายไปถ้าคุณภาพของเทียนสว่างเท่าไหร่ความมืดก็หายไปเท่านั้นเท่านั้น อนุภาพของวิปัสสนาทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเหมือนจุดประทีปในในที่มืดเขาจึงเรียกว่าตักทางฆ่าประหานะเนี่ยนะละด้วยการะละด้วยด้วยองค์นั้นๆละอย่างไรละสะกายทิฐิด้วยการกํานะกหนดนามรูปด้วยการกําหนดสังขารเนี่ยนะกาหนดนามรูปละวิจิกิจชาด้วยการกําหนดอะไรกําหนดปัจจัย นะด้วยการกละวิจิกิจชาด้วยการกำหนดปัจจัยละการสำคัญว่าเราว่าของเราด้วยกลาปะสมัมมาสนและสัสตทิฏฐิด้วยการพิจารณาความเกิดละละอุเฉททิฏฐิด้วยการพิจารณาความเกิดและสัสตทิฏฐิด้วยพิจารณาความดับและความสำคัญว่าไม่ใช่ภัยด้วยพยตูปทานะเป็นต้นเนี่ยก็จะมีการละเป็นต้นไปโดยลาดับแนละการละไปตามลาดับ หรือละตามลําดับตามคุณภาพของปัญญาดังที่กล่าวไปเรียกว่าตะทางค้าอาหารก็คือวิปัสสนาทั้งหลายนั่นเองอันวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยเป็นการละตามขีดความสามารถของของปัญญาหรือของวิปัสสนานั้นๆตรงนี้ท่านยกทิฏฐิมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะที่ที่ยกทิฏฐิมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าทิฏฐินี้เป็นของหยาบส่วนสัญญานี้เป็นของละเอียดเนี่ยน ะ, ะละทิฏฐิได้ คือถ้าละทิถิเนี่ยละอะไรละทิฐิวิปลาสทิฐินี่แปลว่าความเห็นเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าสุขเห็นว่าเป็นอัตตาเพรันผู้ที่เจริญวิปัสนาทั้งหลายก็แวกหรือส่งให้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วไม่เที่ยงนะจริงๆแล้วเป็นทุกจริงจริงแล้วเป็นอนัตตาเนี่ยนะพันตัววิปัสนาทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวช้ำแรกช้ำแรกออกจากทิฐิเป็นต้นได้เอง ไอคำว่าทิฏฐิคตะตัวนั้นเนี่ยนะทิฏฐิคตะตัวนั้นก็อธิบายเกี่ยวกับศัพท์บทว่านิเพทภาคพายังสมาธิงสมาธิอันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระ ก, กิเลสได้แก่สมาธิอันสัมปยุทธ์ด้วยวิปัสนาหมายถว่าเป็นสมาธิที่เกิดร่วมกับปัญญาการละโดยอาการที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแห่งธรรมะอันเป็นสังโยชน์ด้วยอริยมรรคยานดุดต้นไม้ที่ถูก สายฟ้าฟาดนี้ชื่อว่าสมุเชเฉทประหารเคยมีนะถ้าถ้าต่างจังหวัดนี้เห็นชัดอย่างหนึ่งอย่างเช่นต้นต้นยางต้นใหญ่ๆเนี่ยนะถ้าต้นยางต้นใดที่ถูกฟ้าผ่าที่ยอดตกลงมาเนี่ยนะต้นไม้นั้นเนี่ยเลิกงอกงามอีกต่อไปได้เลยเลิกเจริญเติบโตมาเนี่ยนะบางทมีมันไม่น่าเชื่อเลยว่าผ่าตรงกลางแล้วมันแหวกเหมือนกับว่าเอามีดผ่ามาจากข้างบนเลยนะแล้วก็จายออกไปหมด บางทีเนี่ยมันผ่าแล้วมันตัดไปครึ่งต้นได้เลยนนะอนุภาคของฟ้าผ่าเนี่ยมากขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่เท่ากับระเบิดสมัยใหม่รุนแรงมากเลยนะส่วนเกี่ยวกับข้อ66กหการปหารข้อ16นี่คงพักสักครู่ก่อนนะแล้วค่อยต่ออีกเต็มั